ใ้มาทำบุญชีวิตผ่านไป ด, ด้วยดีไม่มีอันตรายไม่มีอุปสรรคเพราะอันตรายของชีวิตไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่รอดได้เกิดขึ้นได้หลายทางด้วยกันจากภายนอกก็มีจากภายในก็มี ยากภัยในมราได้เก่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆจากภายนอกก็เท่าที่เราทราบอยู่นี่แหละที่เราได้ผ่านอกปจักมานี้จะเพราะความไม่ประมาทในชีวิตเราได้รักษา <c oughs> <c oughs> ชีวิตของเรา แต่ทุกๆคนก็รักชีวิตของตัวเองและก็พยายามรักษาชีวิตของตัวเองแต่บางคนก็ไม่พ้นอันตรายเพราะชีวิตนี้ไม่ใช่ว่าป้องกันเฉพาะเต่ด้วยมีอาหารการกินเริ่มีที่นอนมีเครื่องใช้สอยสมูกบนดินแล้ว ยังชีวิตอยู่ได้ ด, ด, ด, ด้วยบุญด้วยกุศลผลบุญผลกุศิด้วยใช้ชีวิตนี้ได้เครื่องใช้บริโภคใช้สอยบริโภคได้ชีวิตอยู่ได้ยาวนานคนทุกคนก็มีเครื่องใช้สอยประจำชีวิตอยู่ทุกคนแต่บางคนก็มีชีวิตชั่ว ทั้งทั้งสิดขอ ง, ดงนั่นนั้นยังสมบูรบริบูรอยู่ทั้งเขาก็ไม่อยากจากอยากิีนอกพ่อแม่ทับสมบัติไปแล่จมเป็นจะต้องไปเพราะผลกรรมที่ได้กระทำไว้ใ่อดีตมาให้ผลในปัจจุบัน เราจะนั่นตามหลักศาสนาครรมคำสอนที่จะปพระพุทธเจ้าพระองค์สังไว้พระองค์สอนไว้พระองค์ได้ค้นพบวา่าทั้งหลายเป็นไปตามกรรมกรรมเป็นผู้ให้ผลคือกรรมอดีตพยายามที่เราได้ทำไว้แล้วติดตามคนผู้กระทำไว้ไม่ใช้ทำแล้วแล้วไป ไม่ใช่ทำแล้วขาดศูนย์มันยังจึงมีอํานวยผลตามมาในระยะการต่อไปอีกตัวยอย่างเช่นเหมือนกับ น, นักโทษที่ไปทำผิดกฎหมายไม่ใช่ว่าทำผิดแต่เวลาทำเวลาเขาไปจับมาลงโทษเขาไม่ได้ทำอะไรเลยไปจาบบอยู่ในบ้านไปจแบบใน ก, กำลังอยู่ดีๆนี่แหละ แต่พ้นกรรมที่เขากระทำไว้มันยังไม่พ้นโทษในโทษของกฎหมายบ้านเมืองฉันใดยังโทษในทางจิตใจที่ได้ในจิตใจประกอบไปด้วยอกุศลโลกอยากได้ไม่เลือกทาง <c oughs> ไม่รู้จักของเขาไม่รู้จักของเราได้โดยทางที่ไม่ชอบจิตประเภทนี้สร้างคำที่เรียกว่าจิตอกุณความโลภนะความอยากได้เห่นี่อยู่ทุกคนสำรับชีวิตที่มีมาแล้วแต่บุคคลผู้มีปัญญาไม่อยากได้แล้วก็ใช้ปัญญา ปัญญายังไม่มีก็มันศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเมื่อได้วิชาความรู้ได้ปัญญาแล้วใช้ปัญญาให้เกิดประโยชน์ทั้งตัวเองและประโยชน์ของบ้านเมืองบ้านเมืองอยู่ได้เพราะคนมีปัญญาเพราะคนขยัน แถาบ้านเมืองนี่มีแต่คนรับขโมยกันมีแต่คนที่เกียจการมีแต่คนโลกมาในได้มาในทางที่ไม่ชอบเดียดเรียนซึ่งกันและกันโลกนี้ก็เป็นไฟลุกขึ้นมาร้อนขึ้นมาแต่โลกนี้สงบเพราะคนดีเพราะฉะนั้น ความดีและความไม่ดีย่อมมีอยู่ในโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่เรา้องตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเราไปเชื่อได้ว่าคนชั่วทำชั่วเป็นคนชั่วจริงๆคนดีทำแล้วเป็นคนดีจริงๆมีประโยชน์แต่ตัวเองและบ้านเมืองจริงๆ เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้บาปก็ต้องมีจริงบุญก็ต้องมีจริงผลแห่งความชั่วมีจริงผลแห่งความดีมีจริงไม่ใช่ว่าไม่มีเหมือนกับคนบางคนเข้าใจเพราะเมื่อทำชั่วแล้วมันเสียหายมันเดือดร้อนใครเล่านิยมชมชอบคนทาชั่วไม่มีเลย ถ้าเราได้คนชั่วมาร่วมงานหรือมาเกิดอยู่ด้วยในครอบครัวใดในตระกูลใดหรือการงานใดในตระกูลนั้นครอบครัวนั้นย่อมพูดวายไม่มีความเจริญอันนี้มันเห็นได้ด้วยปัญญาของเราดูทั่ ว, ว, วไปธรรมดานี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้ละความชั่วไม่ใช่เป็นสิ่งี่ลึกับ ที่เราทาั้งหลายรู้ไม่ได้เลื่อเห็นไม่ได้เรามองในแง่ความดีก็เช่นเดียวกันคนที่ทำดีย่อมมีความเจริญทั้งตัวเองและทั้งประเทศตลอดถึงประเทศชาติบ้านเมืองบ้านเมืองที่เจริญเพราะการศึกษาดีเพราะการปฏิบัติดีการกระทำดีไม่เสียเดเบียนเรียกอามีมนุษยธรรม มนุษย์ทำนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงประกาศก่อนไทยๆในนอกพระองค์ได้ตรัสรู้ของจริงก่อนนี่ว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์มุงเกิดคนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้ไม่มีใครอยู่คนเดียวได้เลยต้องอยู่ร่วมกันมีความสุขความเจริญก็ร่วมกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดคนเดียวไม่ได้นะคร เราก็เขรักหมู่รักเพื่อนเหมือนกับรักตัวเราไม่เบียดเบียนหมู่เพื่อนเหมือนกับไม่เบียดเบียนเราถ้าเขามาเบียดเบียนเราเราก็ไม่ชอบฉณะไหนเราไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วเขาจะรักเราไปแค่ชอบเราเมื่อเราเบียดเบียนซึ่งการาการเี่นนี้แหละการอยู่ร่วมกัน ก็ไม่มีประโยชน์ไม่ต่างอะไรกับสัจเพราะเหตุนั้นการทำบุญเพื่ออบรมกำลังใจของเราให้มีความเห็นถูกต้องให้มีความเห็นตรงสําหลับแห่งความจริงี่เรียกว่าสัจธรรมสัจธรรมเรามองดูง่ายๆเชื่อง่ายๆว่าบาปมีจริงยน ม, มีจริงเพราะบาปก็เป็นสัจธรรมให้ผลในส่วนทุกข์ บุญก็เป็นมักเพื่อชำระ บ, บาปป้นจัดบาปไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้ทุกความเดือดร้อนเกิดขึ้น<ม>เป็นหนทางปฏิบัติเข้าสู่ความเจริญตลอดถึงความสงบสุดทั้งตนและบ้านเมืองนี่เป็นมักที่พระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติมักคืออะไรคือศีลมีการไม่เดียดเดือดกันนี่ความไม่เดืดเดียนกันนี่แหละ ทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเห็นอกเห็นใจกันไม่ลุ่งอำนาจแหงความโลภความโกรธความดุซึ่งเป็นมูลให้สร้างกําไม่ดีซึ่งเป็นมูลให้เป็นเวรเป็นภัยตลอดถึงอายุสั้นพลันตายเพราะความเดือดเดียนเวรภัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นใครอยากจะมีความสุขมีอายุยืน แต่มีทรัพย์สมบัติมีสติปัญญาดีแล้วมันทำบุญให้ทานการให้ทานนั่นย่อมมีอานิสงส์เกิดไปในชาติในไหนถ้าหากว่าเรายังไม่สิ้นกิเลสจะต้องเกิดท่องเที่ยวเกิดอยู่เราจะได้รับความสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยพ่อกระสมบัติ เป็นคนไม่ยากจนอยากจะทําบุญช่วยเหลือสองเคราะห์ใครๆก็ทาได้อย่างบริบูรณทั้งตัวเองได้ช่วยเหลือคนอื่นห น, นึ่งในสองของการทําบุญให้ทานด้วยภาพนิพนธ์และวัตถุในทางทเจรจาการรักษาศีลเป็นเหตุให้มีกําลังวังคาบสมบูรณ์บรมีร่างกายสมบูรณ์มีผิวพรรณ สดสวยงดงามเพนที่เจริญหัวเจริญตาเพราะความเป็นผู้มีสีการภาวนาพระพุทธเจ้าสอนในภาวนาก็เพื่อเกิดไปชาติไหนเป็นคนมีสติมีปัญญาเฉลียวฉลาดมีปัญญาสมบูรณ์แบบคิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ทำ ด้วยปัญญาอันเชะลาดนั้นย่อมเป็นผลสำเร็จเป็นคน ส, สมบูรณ์ด้วยปัญญาสามารถกำจัดทุกภัยได้ไม่ให้เกิดขึ้นในกายในจิตใจ ข, งของตนได้ช่วยเหลือบุคคลผู้อื่นให้อยู่ในความสงบสุขให้สำเร็จประโยชน์ ในกิจการที่ตนภาชนาแล้วสร้างใจแนละ้นด้วยอำนาจแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าพระองค์ยกย่องบุคคลผู้มีปัญญาเป็นจักอยากปเปิดเสรยถึงแม้เกิดในตระกูลยากจนแต่หากมีสติปัญญาได้ศึกษามาดีเลฉลียวฉลาดเองแล้วสา ม, มารถยกฐานะให้ดีขึ้นได้คนดีไม่ใช่เพราะสิ่งที่ดนบันดาลให้ดี ดีได้เป็นการศึกษาโดยการความขยันมันเพียนโดยการเอาใจใส่โดยบุญกุศลเป็นผู้อุปถัมภ์ให้บุคคลผูนนั้นมีความฉลาดความสามารถเพราะฉะนั้นในบุญกิริยาวัตถุ3าอย่างคือทานการบริจาคศีลศึกษากายศักษาวาจาตลอดถึงจิตใจของเราให้ดี ภาวนาอบรงจิตใจของเราให้มีความรู้ความสามารถยิ่งยขึ้นไปด้วยในทางโลกและรอบด้ในทางธรรมเราสามารถจะดำเนินชีวิตของเราพ้นจากไฟเทาะปัญญาพ้นจากทุกพ้นจากเวทจากไฟสติปัญญาอันชอบ ปัญญาอย่างยิ่งตามหลักธรรมรู้ธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ารู้สัจจะธรรมที่พระองค์ทรงประกาศแล้วนั้นยอมพ้นจากทุกภัยในวัฏสงสารได้ถึงซึ่งความสุขแท้จริงเพราะด้วยอานุภาพแห่งปัญญาและด้วยกำลังแห่งปัญญาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อเข้าใจกันแล้วพยายามที่สมบูรณ์ เพระจะนำความสุขมาให้พยายามทำบุญให้ทานเตียมรักษาศีลเตียามภาวนาบุญทั้งสามอย่างที่เราได้ทํำครบเพื่นแล้วจะเป็นสมบูรณ์ผู้ที่สมบูรณ์บริบูร์ทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้าเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นึดจดจำไว้ดีตั้งใจปฏิบัติตามต่อไปตั้งใจรับผิ